เหมือนถูกไฟไหม้เพราะกรรมของตนพระพุทธภาษิตอทปาปานิกามมานิกังพาโลนะพุทธติเซหิกัมเมหิทุมเมหิอคินาโทวะตปปติแปลความว่าคนพาลทําบาปกรรมอยู่ย่อมไม่รู้เขามีปัญญาชั่วย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเองเหมือนถูกไฟไหม้อธิบายความพระอาจารย์กล่าวว่า คนพาลไม่ได้ทําบาปเพราะความโกรธอย่างเดียวเท่านั้นแต่ขณะทําอยู่ก็ไม่รู้สึกคือไม่รู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นบาปทั้งนี้เพราะดวงจิตมืดเพราะความหลงหรืออวิชชาท่านกล่าวว่าที่ว่าย่อมไม่รู้นั้นอธิบายว่าไม่รู้ว่าผลของบาปจะเป็นอย่างไรความไม่รู้นั้นอย่างหนึ่งแต่บางคนก็ทําทั้งๆ้ง ท, งที่รู้คือรู้ทั้งบาปและผลของบาปแต่ที่ทําไปก็เพราะทนต่ออํานาจกิเลสไม่ได้บ้าง ความจําเป็นบางอย่างบังคับบ้างที่ว่าทนต่ออำนาจกิเลสไม่ได้นั้นเช่นทนต่อความโลคความรักความไข่ความโกรธและความหลงเป็นต้นไม่ได้บางคนก็ทนต่อแรงผลักดันภายในอันเป็นอุปนิสัยของตนไม่ได้เพราะสิ่งนั้นได้สั่งสมมานานจนมีอํา น, นาจเหนือความรู้สึกผิดชอบของตนเพราะอุปนิสัยของแต่ละคนย่อมมีขึ้นจากผลรวมแห่งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่เขาสั่งสมมาเป็นเวลานานนั่นเอง สิ่งนี้เองจะสร้างแรงขักดันอย่างรุนแรงให้เขาทําคำชั่วหรือกรรมดีโดยที่เจ้าของไม่อานต้านทานได้ดูความกรุณาของพระพุทธเจ้าที่มีต่อหมูสัตว์เนื่องจากทรงสั่งสมมานานจนไม่มีอํานาจใดมาทําลายได้นอกจากนี้ยังมีความจําเป็นบางอย่างที่บังคับให้คนทําความชั่วทั้งๆ ท, ที่ไม่อยากทําเช่นความอดอยากโรคภัยไข้เจ็บหรือรังจนผู้เจ็บรู้สึกว่าทําอย่างไรก็เอาทางนั้นขอให้โรคหายก็แล้วกัน รวงความที่ข้าพเจ้ากล่าวในที่นี้ถึงสาเหตุของการทางความชั่วสามประการคือ 1. ทนอำนาจยั่วยวนของกิเลสไม่ได้ 2. อุปนิสัยหรือวาสนาหรือสันดานโน้มไปในทางชั่วสความจำเป็นแต่นักสินธรรมและนักาศาสนาเห็นว่าการอ้างความจาเป็นเพื่อทำชั่วนั้นไม่ถูกคือไม่ควรอ้างความจาเป็นในดๆเพื่อทาชั่วถ้าจะอ้างกันแล้วทุกคนก็อ้างได้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 อะไรคือความดีหรือความชั่วสากลอะไรคือความถูกหรือความผิดสากลจริงอยู่มีกฎแห่งสินธรรมบางอย่างที่ยอมรับกาั่วโลกว่าถูกต้องเช่นความกระตันยูกระตะเวทีความขยันมันเพียรความมีเมตตากรุณาความยุติธรรมแต่อย่างไรก็ตามในธรรมเหล่านี้มีข้อยกเว้นอยู่มากมายเกี่ยวกับบุคคลกาลเทศะสมมติว่าเราจะตั้งปัญหาขึ้นว่าความยุติธรรมคืออะไร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 ความนิยมของบ้านเมืองหรือของคนในกลุ่มนั้นมาประกอบการกระทำด้วยด้วยเหตุนี้นักจริยศาสตร์จึงกล่าวถึงศีลธรรมสองอย่างไว้เรียกในภาษาอังกฤษว่า positive morality และ ideal moralitypositive morality นั้นหมายถึงศีลธรรมที่ยอมรับปฏิบัติการตามธรรมเนียมประเพณีหรือข้อบังคับทางศาสนาแม้ไม่มีเหตุผลเพียงพอก็ต้องทาหรือต้องเว้น เรื่องนี้มีปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปใครไม่ทำสิ่งที่กลุ่มชนนั้นบัญญัติให้ทำหรือไม่เว้นสิ่งที่เขาบัญญัติให้เว้นก็อาจเป็นคนเสียเป็นคนไม่ดีตามความรู้สึกของสังคมนั้นหรือประเทศนั้น p o s i t i v ม m o r ล l ดเลนี้เองเป็นโครงร่างสำคัญของกฎทางจริยศาสตร์ที่ชุมนุมชนต้องยอมรับว่าเป็นหลักที่ถูกต้อง สำหรับตัดสินคุณค่าแท้จริงของการกระทำและแสดงออกในรูปแบบของการตัดสินใจว่าสังคมพอใจหรือไม่พอใจในการกระทำเช่นนั้นตัวอย่างสังคมของเรายอมรับว่าการฆ่าสัตว์เป็นบาปการฆ่าคนเป็นบาปหนะักทั้งทั้งที่คนบางคนสมควรจะถูกฆ่าและเกินเพราะอยู่เป็นภัยต่อสังคมเขาก่อความเดือดร้อนวุ่นวายแก่สังคมมากเละเกินพิจารณาโดยเหตุผลแล้วการฆ่าคนเช่นนั้นไม่น่าจะบาป แต่เมื่อใจได้รับการอบรมจนเคยชินกับคําว่าการฆ่าคนเป็นบาปดังนี้ผู้ฆ่าก็อดวาดวันต่อบาปนี้ได้ด้วยเหตุนี้ผู้พิพากษาบางท่านเมื่อสั่งประหารชีวิตคนแล้วความจริงเขาทําตามหน้าที่และตามตัวบทกฎหมายก็อดวาดวันไม่ได้จึงต้องรดน้ํามนต์บ้างและทําอย่างอื่นบ้างเช่นทําบุญใส่บาทพระเพื่อให้จิตใจดีขึ้นรวมความว่าโพสติฟมอรลอนตีนั้นคือ ศีลธรรมที่ยอมรับปฏิบัติกันในสังคมมาในรูปของขนบประเพณีความเชื่อถือและหลักทางศาสนาซึ่งแน่ละจะต้องแตกต่างกันไปตามกาลเทศะสังคมพุทธถือว่าการฆ่าวัวเป็นบาปหนักอย่างหนึ่งแต่สังคมอิสลามไม่ถือว่าบาปถือว่าเป็นบุญสอีกจึงส่งเสริมให้ฆ่าไม่มีความตะคิดตะขวงใจในการฆ่านั้นทานองเดียวกับที่พระในพระพุทธศาสนาฉันเนื้อสัตว์ได้ โดยไม่ต้องระแวงในความเศร้าหมองแห่งศีลของตนแต่สังคมฮินดูหมายถึงพระฮินดูจะไม่ยอมแตะต้องเนื้อสัตว์เลยส่วนอเดียลมอร o g ินนั้นพยายามสแสวงหาความดีในตัวมันเอง Good อินเด m มเซล e ์ความดีหรือความชั่วที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับความเห็นของสังคมมันดีในตัวเองของมันเองและชั่วในตัวของมันเองอย่างที่คูตัวกล่าวว่า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 นักปรึกษศาสตร์รู้หลักวิชาอาจทำได้เหมาะสมกว่าทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตเร็วกว่าและมีผลย่างยืนกว่าคนปลูกไม่เป็นต้นไม้อาตายตั้งแต่เล็กเล็กวิธีทําความดีก็ต้องศึกษาเหมือนกันเพื่อให้ผลดีเต็มเม็ดเต็มหน่วยส่วนวิธีทําชั่วนั้นไม่ต้องศึกษาเพราะท่านสอนให้เว้นความชั่วทั้งปวงหากจะศึกษาก็ศึกษาวิธีเว้นความชั่วและศึกษาให้รู้ว่าอะไรชั่ว เพื่อจะได้เว้นสิ่งที่ผนเว้นคนทำความชั่วยอยู่เสมอต้องเดือดร้อนเพราะความชั่วของตนดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องอาชะคระเปรตพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่พระเ ว, วรุวันเมืองราชครือก ว, ว่าว่าสมัยหนึ่งพระมหาโมคคลานะกับพระลักษณะลงจากภูเขาคิจกูรได้เห็นสัตว์ตนหนึ่งคืออาชะคระเปรต ด, ด้วยจกักษุทิพย์ เปลวไฟลุกขึ้นจากหางของมันลามไปจนถึงหัวลุกหัวลามไปถึงหางลุกจากหัวและหางทั้งสองไปรวมอยู่ที่ ก, กลางตัวพระมหาโมคลานะเห็นดังนั้นจึงยิ้มน้อ ย, อยเมื่อพระลักขณะถามว่ายิ้มอะไรท่านตอบว่าบัดนี้วิชัยเวลาต่อปัญหาขอท่านจงถามในสำนักพระาศาสดาเถิดเมื่อกลับจากบินทบาทฉันเสร็จแล้วพระเถระทั้งสองเข้าเฝ้าพระาศาสดาพระลักษณะถามอีก พระมหาโมคคลาน่าจึงเล่าให้ฟังว่าได้เห็นเปรตตนหนึ่งเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นสัตว์เห็นปานี้ท่านไม่เคยเห็นเลยพระศาสดาทรงสดับแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสาวกของเราเป็นผู้มีจักสุแล้วภิกษุทั้งหลายแม้เราเองก็เคยเห็นเปรดนั้นที่โพธิมณฑลอันเป็นที่ตรัสรู้แต่เราไม่พูดเพราะเกรงว่าพูดไปหากคนไม่เชื่อ ความไม่เชื่อนั้นไม่เป็นความดีสำหรับผู้นั้นบัดนี้เราได้มหาโมฆลลานะเป็นพยานแล้วจากพูดเมื่อพิกษุ์ทั้งหลายทูลถามถึงปุพพกรรมของเปรตนั้นจึงตรัสว่าในการแห่งพระกะศบโทศพทลเสถีคนหนึ่งชื่อสุมงคลเลื่อมสายในพระรัตนตรัยได้สละทรัพย์เป็นอันมากสร้างอาราธวายสงฆ์มีพระกสะบ พ, พุทธเจ้าทรงเป็นประมุก วันหนึ่งเศรษฐีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่เช้าตรู่เห็นโจรคนหนึ่งนอนเอาผ้ากาสายะคลุมหัวมีเท้าเปื้อนโคลนนอนอยู่ที่สาลาหลังหนึ่งใกล้ประตูเมืองจึงกล่าวขึ้นว่าเจ้าคนนี้เท้าเปื้อนโคลนคงจะเป็นมนุษย์ที่ชอบเที่ยวกลางคืนเป็นแน่แท้แล้วเดินเลยไปโจรได้ยินเสียงเปิดผ้าคลุมหน้าเห็นเศรษฐีแล้วคิดว่าเอาเถอะเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อแก้แค้นที่เศรษฐีพูดอย่างนี้กับเรา เขาฟุอาฆาตในเศรษฐีนั้นเมื่อได้โอกาสจึงเผานาของเศรษฐีเสียถึงเจ็ดครั้งตัดเท้าโคในข้อเสียเจ็ดครั้งและเผาเรือนเจ็ดครั้งแม้กระนั้นก็ไม่อาจให้ความแค้นเคืองดับได้จึงทําสนิทชิดเชื่อกับคนใช่เศรษฐีแล้วถามว่าอะไรที่เศรษฐีรักที่สุดเมื่อทราบว่าพระคันท ก, กุลีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงลอบไปเผาพระคันท ก, กุลีนั้นขณะที่พระศาสดาสเสด็จออกบิณฑบาต เศรษฐีได้ทราบความนั้นก็รีบมาเห็นพระคันธกุลีกําลังถูกไฟไหม้เขาปรบมือด้วยความยินดีเมื่อคนทั้งหลายถามว่าไม่เสียดายหรือพระคันธกุลีสร้างด้วยราคาแพงเขาตอบว่าเขายินดีที่จะได้สละทรัพย์สร้างใหม่และได้บุญอีกแล้วสละทรัพย์จํานวนมากสร้างพระคันธกุลีถวายพระศาสดาใหม่โจร น, นั้นได้ทราบเรื่องของเศรษฐีแล้วคิดว่าจากต้องฆ่าเศรษฐีคนนี้ไปนแน่แท้จึงจะหายแค้นจึงซ่อนกริช เข้าไปเดินเตรอยู่ในวิหารเป็นเวลาถึงเจวันก็มาในโอกาสฆ่าเศรษฐีฝ่ายท่านเศรษฐีถวายทานแด่ภิกษุสองมีพระเจ้าเป็นประมุขตลอดเจวันถวายบังคมพระศาวสดาและกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์บุรุษผู้หนึ่งเผานาของข้าพระองค์เจ็ดครั้งตัดเท้าโคในข้อเจ็ดครั้งเผาเรือนเจ็ดครั้งและคงจะเป็นคนคนเดียวกันนั่นเองที่เผาพระคันธคุณีข้าพระองค์ขอให้ส่วนบุญในทานนี้แก่เขาก่อน จนได้ยินขันนั้นแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นในใจว่าเราทำกรรมหนักเสียแล้วหนอเศรษฐีไม่ได้มีแม้แต่ความแค้นเคืองในเราผู้ทำผิดถึงป่านนี้ยังแผ่ส่วนบุญให้เราก่อนเสียอีกถ้าเราไม่ให้คนอย่างนี้อดโทษเทวทันคงจะต้องตกถึงเราเป็นแน่แท้ดังนี้แล้วหมอบลงแทบเท้าของเศรษฐียอมรับสารภาพกรามที่ตนได้ทำได้ทุกอย่างและให้เศรษฐีระลึกถึงคำพูดของตน อันเป็นเหตุให้เขาอาฆาตในเช้าวันหนึ่งเศษถีกระลึกได้แล้วจึงกล่าวว่าเขาพเจ้าอดโทษให้ท่านขอให้ท่านอดโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยท่านจงลุกขึ้นไปเถิดเขาพเจ้าอดโทษให้ท่านแล้วถ้าท่านอดโทษขอได้โปรดรับเขาพเจ้าและบทพรนยาไว้เป็นธาตในเรือนของท่านไวเถิดจวนว่าเศษฐียึงว่าเขาพเจ้าพูดเพียงเท่านั้นท่านยังทำแก่เขาพเจ้าถึงเพียงนี้หากท่านอยู่ในเรือนข้าพเจ้าจะพึงว่ากล่าวอะไรท่านได้ ข้าพเจ้า อ, อวดทวนให้ท่านแล้วจงลุกขึ้นไปเสียเถิดด้วยกรรมนั้นโจรทำกาละแล้วบังเกิดในอเวจีนรกสิ้นการยาวนานบัดนี้เกิดเป็นอาชคระเปรดถูกไฟไหม้อยู่ที่ภูเขาทิจกูดเพราะเศษกรรมที่เหลือพระศาสดาตรัสปุพพกรรมของเปรดนั้นแล้วตรัสต่อไปว่าพิกษุทั้งหลายคนทานทำกรรมอลามกอยู่ย่อมไม่รู้แต่ภายหลังย่อมเร่าร้อนเพราะกรรมของตนนั่นเอง ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอธปา ป, า, ปานิกรร ม, มานิเป็นอาธิมีนัยะดังพน า, นามาแล้วแต่ต้น